สถานที่ที่เขาสร้างขึ้นไว้หน้าที่ใดที่หนึ่งเพื่อถวายพระราชาทรงกีฬาเพื่อให้ทรงพระสําราญพระไทยที oh ่ชื่อว่าหอจิตรกรรมได้แก่หอที่สร้างขึ้นหน้าที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้คนทั้งหลายชมเล่นรื่นเริงที่ชื่อว่าสวนสาธารณะได้แก่สวนที่สร้างขึ้นให้คนทั้งหลายชมเล่นรื่นเริงที่ชื่อว่าอุทยานได้แก่อุทยานที่สร้างขึ้นหน้าที่ใดที่หนึ่ง เพื่อให้คนทั้งหลายชมเล่นรื่เนเริงที่ชื่อว่าสาบโบกกรณีได้แก่สระน้ําที่ขุดไว้หน้าที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้คนทั้งหลายชมเล่นรื่เนเริง980พิกษตรีเดินไปเพื่อจะดูต้องระบาดทุกกฎยืนดูต้องระบัดปาจิตตีผลสายตาไปแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกต้องระบัดป่าจิตตี